แนะนำบทอัลฟัดบทอัลฟัดเป็นบทมักกียามี30มสิองค์การซึ่งกล่าวถึงเรื่องสำคัญสมเรื่องเลยกันคือ 1. เรื่องราวต่างๆของประชาชาติที่ปฏิเสธศรัทธาต่อาศาสนาทูตของอัละลอะ์เช่นอัสสมุดและกลุ่มชนของฟืรอราอพร้อมทั้งได้ชี้แจงถึงการลงโทษและความวิบัติเนื่องจากการละเมิดขอบเขต 2. ชี้แจงถึงแนวทางอัละลอ์ในการทดสอบพวงเบา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 และชีวิตที่ดีมีความสงบสุขด้วยพระนามของอลอ a ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสม อ, อ, ลลอสขอสาบานด้วยยามรุ่งอรุณและด้วยค่าคืนทั้งสิและด้วยสิ่งที่เป็นคู่และที่เป็นขี่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 อิรอมพวกมีเสาหินสูงกระนาซึ่งเยื่งนั้นไม่ได้ถูกสร้างตามหัวเมืองตา่างๆและพวกสมุดผู้ส ก, กัดหินหน้าหุบเขาและฟิรอาวเจ้าแห่งเสาเต็น บรรดาผู้ละเมิดเหล่านั้นอยู่ตามหัวเมืองต่างๆแล้วก่อความเสียหายอย่างมากมายในหัวเมืองเหล่านั้นดังนั้นพระผู้วิบากของเจ้าจึงกระนําการลงโทษแก่พวกเขาอินนั้รบบัลลบิลมิรซาดแท้จริงพระผู้วิบากของเจ้านั้น ส่งเฝ้าดูอยู่ส่วนมนุษย์นั้นเมื่อพระผู้วิบากของเขาส่งทดสอบเขาโดยส่งให้เกียดเขาและส่งโปรดบานเขาเขาก็จะกล่าวว่าพระผู้วิบากของฉันส่งยกย่องฉัน แต่ถ้าเมื่อพระองค์ทรงทดสอบเขาด้วยการคลองชีพของเขาเป็นที่คับแคบแก่ขเขาเ ข, ข, ขาก็าจะกล่าวว่าพระผู้วิบากของฉันทรงเหยียดหยามฉันข้อ10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 เค ล, ลาถาดุติดกดก ว, ดว่ารบค์วัามาลฟฟฟฟามด้เมื่อเป็นดินถูกทำให้สั่นสะเทือนทลายลงและพระผู้บานของเจ้าสเสด็จมาพร้อมทั้งมาเลกาเป็นเแถแวว่าีไยูมไอด และในวันนั้นรกยานนำจะถูกนำมาให้ปรากฏในวันนั้นมนุษย์จะรำลึกขึ้นมาได้แต่การรำลึกนั้นจะมีผลแก่เขาได้อย่างไร เขาจะกล่าวว่าโอ้ฉันได้ทำความดีไว้ล่วงหน้าสำหรับชีวิตของฉันก็จะดีและวในวันนั้นไม่มีผู้ใดจะลงโทษเช่นการลงโทษของปรุงและไม่มีผู้ใดจะผูกมัดเช่นการผูกมัดของปรุมง โอ้ชีวิตที่มั่นคงเอ๋ยจงกลับมายังพระผู้พิบาลของเจ้าด้วยความยินดีและผิติเถิดแลเจ้าจงเข้ามาอยู่ในหมู่ปวงบ่าของข้าเถิดแลเจ้าจงเข้ามาอยู่ในสวนสวรรค์ของข้าเถิด